เพื่อนคนหนึ่งบ้างเขาอยู่เชียงใหม่เขาเล่าให้ฟังว่ามีคราวหนึ่งมีทุละจะลงมากรุงเทพตั้งใจว่าจะนั่งรถไฟลงมาจับเอยมีเพื่อนของเขาซึ่งมีเครื่องบินอยู่กำลังจะลงมากรุงเทพเหมือนกัน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 มีความเคร่งเครียดเพราะความยึติดสิ่งต่างๆอีกต่อไปหมายความว่าอยอมรับสภาพสิ่งต่างๆได้เพราะเขาว่าเขารู้ว่าเขาทุกเนี่ยเพราะอาการที่พยายามที่จะควบคุมบังคับทุกสิ่งที่อย่างให้เป็นไปตามใจพอแล้วไม่เป็นไปตามใจก็ไม่ยอมพยายามฝืนพยายามพยายามที่จะบังคับให้มันเป็นอย่างที่ต้องการให้ได้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 ถ้าเราลองสังเกตดูเวลาเราไปอย่างเราไปร้านขายสีหรือว่าปั๊มน้ำมันความรู้สึกแรกคือมันเหม็นแต่ว่าลองสังเกตนะพวกเด็กปั๊มหรือว่าคนขายสีเขาไม่รู้สึกได้กลิ่นเลยเราเองก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกัน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 ความคิดว่ามันต้องไม่หายมันต้องไม่หายมันไม่น่าหายทําไมถึงต้องเป็นเรานะทำไมต้องเป็นเรานะจะคิดแบบนี้เนี่ยก็แผนซีดีแค่ไม่กี่บาทก็ทําให้นอนไม่หลับนะกลุ้มห อ, อกกุ้มใจได้แต่บางคนอยากหนักกว่านั้นนะไม่ใช่แค่แผนซีดีแค่มีมีสิวไม่กี่เม็ดนะก็กลุ้มหมกกุ้มใจเพราะไม่อยากให้มันมีแต่มันมีขึ้นมาแล้วจะทำยังไง